อธิบายการบรรลุจตุทตฏฐฌานก็แลเมื่อได้บรรลุตัติยาฌานแม้นั้นด้วยประการชนนี้แล้วโยกขีบุคคลพึงสั่งสมวสีด้วยอาการห้าอย่างโดยนัยยะดังที่พร น, นามาแล้วนั่นแหละครั้นออกจากตัติยาฌานที่คล่องแคล่วแล้วพิจารณาเห็นโทษในตัติยาฌานนั้นว่า สมาบัตินี้ยังใกล้ต่อปีติอันเป็นค่าศึกอยู่แล้วว่าสมาบัตินี้ยังมีองค์อันทุรพลเพราะสุขเป็นสภาพที่หยาบดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนี้ว่าองค์อันใดล่ะที่ทําใจให้พะวงว่าเป็นสุขในตัติยาชานั้นด้วยองค์นั้นตัติยาชานี้จึงปรากฏเป็นสภาพที่หยาบ น, นี้แล้วพึงมณสิการถึงจตุทธฏฐานโดยเป็นสภาพที่ละเอียดคลายความยินดีในตติยะฌานแล้วพึงลงมือทำความเพียรเพื่อบรรลุจตุทธฏฐานต่อไปและการใดเมื่อโยคีบุคคลออกจากตติยะฌานแล้วมีสติมีสัมปชัชญญะพิจารณาองค์ฌานอยู่นั้นสุขคือสมนัสอันเกิดขึ้นทางใจ จะปรากฏโดยเป็นสภาพที่หยาบอุเปกขาเวทนากับจิตแตกัคคตาจะปรากฏโดยเป็นสภาพที่ละเอียดการนั้นขณะที่โยคีบุคคลมณสิกาถึงปฏิภาคานิมิตนั้นนั่นแหละอย่างเล่าๆๆเล่ า, ล า, ล า, ล า, ลาว่าปัทวีปั ว, ปวีหรือดินดินเพื่อละเียซึ่งองค์ที่หยาบและเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ที่ละเอียดอยู่นั้น มโนทวาราวชนาจิตทมปัทวีกสินนั้นนั่นแหลให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นตัดพะวังขจิตเหมือนจะเตือนให้รู้ว่าจตุตถาชานจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วถัดนั้นไปชวนาจิตก็จะแล่นไปในอารมณ์นั้นนั่นแหลสี่ขณะบ้างห้าขณะบ้างตามควรแก่โยคีบุคคลที่เป็นติขะบุคคลหรือมัท้าบุคคล บรรดาชาวนาจิตเหล่านั้นดวงหนึ่งที่สุดท้ายเข้าเป็นรูปาวาจรกุศลจิตขั้นจตุทัตชาญดวงที่เหลือนอกนั้นเป็นกามาวาจรกุศลจิตมีประการดังกล่าวแล้วในปฐมชาญนั่นเทียวส่วนที่พิเศษกว่ากันนั้นดังนี้คือเพราะเหตุที่สุขเวทนาเป็นปัจจัย โดยอเสวณนะปัจจัยแกอ่อทุคขมัสุขเวทนาไม่ได้และอทุคขมสุขเวทนาจะต้องเกิดขึ้นในจตุตถาชานฉะนั้นชาวนาจิตเหล่านั้นจึงย่อมประกอบด้วยอุเบกขาวเวทนาและแม้ปีติก็เป็นอันสางหายไปในจตุตถาชา น, นี้ด้วยเพราะเหตุที่จตุตถาชานประกอบด้วยอุเบกขาวเวทนานั่นแหล และด้วยลำดับแห่งภาวนาวิธีมีประมาณเพียงเท่านี้เป็นอันว่ายโยคีบุคคล น, นั้นได้บรรลุแล้วซึ่งจตุตถาชานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์เพราะโสมนัสและโทมนัสดับหายไปแล้วแต่เบื้องต้นอันมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่จตุตถาชานปัตวีกสินอันละองหนึ่งประกอบด้วยองสอง มีความงามสามสมบูรณ์ด้วยลักษณะสิบย่อมเป็นอัญโยคีบุคคลนั้นได้บรรลุแล้วด้วยประการชนนี้อธิบายเพราะละสุขละทุกเป็นต้นในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเพราะละสุขละละทุกความว่าเพราะละกายกสุุ คือสุขทางกายและกายกับทุกคือทุกทางกายคำว่าแต่เบื้องต้นความว่าการละนั่นแหละได้ละมาแต่เบื้องต้นแล้วไม่ใช่ละในขณะแห่งจตุตตาชานคำว่าเพราะสมณนัตและโทมนัตดับหายไปความว่าเพราะความดับหายไปแต่เบื้องต้นแห่งเวทนา แม้ทั้งสองนี้คือสุขเวทนาที่เกิดทางใจหนึ่งทุกขเวทนาที่เกิดทางใจหนึ่งอธิบายว่าเพราะละเวทนาทั้งสองเส็จได้แต่ในเบื้องต้นนั่นเองถามก็แลการละเวทนาเหล่านั้นละในขณะไหนตอบละในขณะแห่งอุปจาระของฌานทั้งสี่ อธิบายว่าโสมนัสเวทนาย่อมละในขณะแห่งอุปจาระของจตุททาชานทุกขเวทนาโทมนัสเวทนาและสุขเวทนาย่อมละในขณะแห่งอุปจาระของปฐมฌานตุติยฌานและตติยฌานตามลำดับนักศึกษาพึงทราบอย่างนี้การละสิ้นสุข ทุกสมนัติและโทมนัตเสวทนาทั้งหลายแม้ในจตุททัตชา น, นี้ซึ่งแม้จะมิได้ทรงแสดงไว้ตามลำดับแห่งการละซึ่งเวทนาเหล่านั้นแต่ทรงแสดงไว้ตามลำดับแห่งการแสดงซึ่งอินทรีทั้งหลายในอินทรีวิพังนั่นเทียวในที่นี้ท่านแสดงเวทนาไว้โดยแสดงลำดับตามลำดับแห่งอินทรี มีได้แสดงตามลำดับแห่งการละลำดับแห่งการละนั้นคือละทุกโทมนัสสุขและโสมนัสส่วนลำดับแห่งอินรีนั้นคือสุขขินซีทุกขินซีโซมนัสินซีและโทมนัสินซีและโทมนัสินซีถามก็แลถ้าองค์ธรรมเหล่านั้น ย่อมละได้ในขณะแห่งอุปจาระของฌานนั้นๆจริงแล้วก็เหตุฉนันพระพุทธองค์จึงทรงแสดงความดับแห่งองค์เหล่านั้นไว้ตรงที่ฌานทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างนี้ว่าก็ทุกข์ขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับอย่างไม่มีเหลือณนะที่ไหนภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ย่อมบรรลุซึ่งปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุข ซึ่งเกิดแต่ความสงัดเพราะสงัดแล้วแน่นอนจากกา ร, รมทั้งหลายเพราะสงัดแล้วแน่นอนจากอากุศลละธรรมทั้งหลายและทุกขินีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับอย่างไม่มีเหลือณนะที่ปฐมมชานี้และโทมานาสินีสุ ข, ขินีโสมานาสินีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปอย่างไม่มีเหลือณนะที่ไหนภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ ย่อมบรรลุซึ่งจตุทถาฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะลาสุขล ะ, ละทุกข์แล้วเพราะสมณัตละโทมนัะดับหายไปแล้วแต่ในเบื้องต้นอันมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาและสมณสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปอย่างไม่มีเหลือณนะที่จตุทถาฌานนี้ตอบการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงความดับ แห่งองธรรมทั้งหลายไว้ตรงที่ฌานโดยเฉพาะเช่นนั้นเพราะทรงประสงค์เอาความดับอย่างสนิทอธิบายว่าในขณะแห่งฌานทั้งหลายมีปฐมฌานเป็นต้นเป็นความดับอย่างสนิทขององธรรมเหล่านั้นไม่ใช่ความดับอย่างสามัญส่วนในขณะแห่งอุปจาระเป็นความดับอย่างสามัญไม่ใช่ความดับอย่างสนิท ละทุก์ได้สนิทที่ปฐมฌานเป็นความจริงอย่างนั้นแม้ทุกข์ที่ดับไปในขณะอุปจาระแห่งปฐมฌานซึ่งมีอวัชนะจิตมากหลายนั้นจะพึงเกิดขึ้นได้อยู่ด้วยถูกเหลือบและยุงกัดหรือด้วยการปวดเมื่อยเพราะนังไม่เรียบแต่ภายในอปปนาฌานจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย อีกประการหนึ่งแม้ทุกขที่ดับไปแล้วในขณะอุปจาราชานี้ชื่อว่ายัางดับไม่สนิทดีเพราะยังไม่ได้ถูกปฏิปักษ์ธรรมทั้งหลายส่วนภายในอัปปนาชานั้นทั่วสัมพางกายอันสุขชโลมแล้วเพราะปีติแผ่ซ่านไปและบุคคลผู้มีกายอันสุขชฉลมแล้วนั้นย่อมมีความทุกข์ดับไปอย่างสนิท เพราะถูกปฏิปักษ์ขธรรมทั้งหลายแล้วละโทมนต์ไดสนิทที่ทุติยชาญอันหนึ่งแม้โทมนต์ที่ละได้ในขณะอุปจาระแห่งทุติยชาญซึ่งมีอาวัชนาจิตมากหลายเช่นกันนั้นจะพึงเกิดขึ้นได้อยู่ เราเมื่อมีความลำบากกายและมีความเหนื่อยใจอันมีวิตกและวิจารเป็นปัจจัยธงมนัตนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่เมื่อไม่มีวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแล้วหาเกิดขึ้นไม่เลยส่วนในชาใดาที่ธงมนัตเกิดขึ้นได้อยู่ในชานนั้นยังมีวิตกและวิจารเป็นปัจจัยและวิตตกและวิจารนั้น ก็ยังละไม่ได้ทีเดียวในขณะอุปจาระแห่งทุติยชาญดังนั้นโทมนัสนั้นจึงยังบังเกิดขึ้นได้ในขณะอุปจาระแห่งทุติยชา น, นั้นแต่ในขณะทุติยชาญจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะละปัจจัยคือวิตกและวิจาร์เสียแล้วลาสุขได้สนิทที่ตติยชาญ อีกประการหนึ่งแม้สุขที่ละได้แล้วในขณะอุปจาระแห่งตติยชานั้นยังจะพึงเกิดขึ้นได้อยู่แก่ชานะลาภีบุคคลผู้มีกายอันรูปประณีตซึ่งมีปิติเป็นสมุดฐานแผ่ซ่านไปแต่ในขณะตติยชานจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะในขณะตติยชานนั้นปิติอันเป็นปัจจัยแก่สุขได้ดับไปแล้วโดยสิ้นเชิง ละโสมนัสได้สนิทที่จตุทถาชานอีกประการหนึ่งแม้โสมนัสที่ละได้แล้วในขณะอุปจาระแห่งจตุทถาชานนั้นยังจะพึงเกิดขึ้นได้อยู่ทั้งนี้เพราะเหตุที่อยู่ใกล้อย่างหนึ่งเพราะยังไม่บรรลุถึงอปปนาชานอย่างหนึ่งเพราะยังไม่มีอุเบกขายอย่างหนึ่งเพราะยังไม่ผ่านไปโดยชอบอย่างหนึ่ง แต่ในขณะจะตุทธาชาญจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเป็นอันขาดและเพราะเหตุดังพรนนานามานี้นั่นแหละสับว่าอปริเสสังที่แปลว่าไม่มีเหลือพระพุทธองค์จึงทรงแสดงไว้ในฌานนั้นนั้นว่าเอทุ ป, ปันนงังทุกขินทริยังอปริเสสังนิรุจติความว่า ทุกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปยังไม่มีเหลือณที่ชานั้นชนี้เหตุที่ทรงแสดงเวทนาสีในจตุทถาชานหากจะมีผู้กล่าวติงในอธิการว่าก็แลแม้เวทนาเหล่านี้เป็นอัลละได้แล้วในอุปจาระแห่งชาน น, นั้นๆอย่างนี้ เนตุพระพุทธองค์จึงทรงยกมาไว้ในจตุทถาชานี้อีกเล่าข้าพเจ้าขอแถลงแก้วว่าการที่พระพุทธองค์ทรงยกเวทนาเหล่านี้มาแสดงในจตุตถาชานี้อีกก็เพื่อที่จะให้ถือเอาใจความได้ง่ายอธิบายว่าอทุกขมสุขเวทนานี้ใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ในจตุตถาชานี้ว่าอทุกขมสุขขัง ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขชนี้อทุกขมะสุขเวทนานั้นเป็นสภาพละเอียดเข้าใจได้ยากไกลๆก็ไม่อาจที่จะถือเอาความหมายได้โดยสะดวกเพราะเหตุนั้นเพื่อให้ถือเอาความหมายได้โดยสะดวกพระผู้มีพระภาคได้ทรงสงเคราะห์เอาเวทนาทั้งหมดมาไว้ในจตุทัชานี้แหละ รั้นทรงแสดงเวทนาเหล่านี้รวมไว้อย่างนี้แล้วย่อมทรงสามารถที่จะให้ใครๆจับเอาอาัทุกขมสุขเวทนานี้ได้ว่าธรรมชาติใดที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่โสมนัสไม่ใช่โทมนัสธรรมชาตินี้คืออทุกขมสุขเวทนาดังนี้เช่นเดียวกับโคดุร้ายที่ใครๆไม่กล้าที่จะเข้าไปคล้องเอามันได้ด้วยวิธีใดๆ เพื่อที่จะได้คล้องเอาได้โดยสะดวกเจ้าของโคจึงต้อนโคทั้งหมดเข้ามาไว้ในคอกเดียวกันทีนั้นจึงไล่ให้ออกไปทีละตัวแล้วสั่งให้คล้องเอาโคตัวนั้นซึ่งออกมาตามลำดับว่านี้แหละโคตัวนั้นช่วยคล้องให้ทีชะนี้เวทนาสีเป็นปัจจัย ของอทุกขมาสุขเจโตวิมุตต์คำว่าอทุกขมาสุขเจโตวิมุตตนี้ได้แก่จตุททตฌานบางทีก็เรียกว่าอุเบขาเจโตวิมุตต์จะเรียกว่าอุเบขาเจโตวิมุตต์ก็ได้เฉพาะจะตุททตฌานเท่านั้นฌานต้นๆยังไม่มีอุเบขาเป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่ง นักศึกษาพึงทราบว่าแม้เวทนาสีเหล่านี้พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ก็เพื่อจะทรงชี้ถึงปัจจัยของอทุกขมสุขเจโตวิมุตต์จริงอยู่ปฐมมชานอันเป็นเครื่องละซึ่งทุกขเป็นต้นจัดเป็นปัจจัยของอทุกขมสุขเจโตวิมุตนั้นสมดังที่พระธรรมทินาเทรีแสดงไว้ว่าอาวุโส ปัจจัยของสมาบัติคืออทุก ข, ขมสุขเจโตวิมุตต์มีสีอย่างแลอวุโสภิกษุในศาสนานี้บรรลุแล้วซึ่งจตุท ถ, ถาฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์แล้วเพราะโสมนัสและโทมนัตดับหายไปแล้วแต่ในเบื้องต้นแลอันมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอาวุโส ปัจจัยของสมาบัติคืออทุกขมสุขเจโตวิมุตต์มีสี่อย่างเหล่านี้แหละราคะโทสะอยู่ไกลจตุทัตชานมากอีกประการหนึ่งนักศึกษาพึงทราบดังนี้ว่าเวทนาสี่เหล่านี้ที่ทรงแสดงไว้ในจตุทัตชา น, นี้ เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงราคะและโทสะเป็นสภาพที่อยู่ห่างไกลมากเพราะได้ทำลายสิ่งที่เป็นปัจจัยมาแล้วจริงทีเดียวในบรรดาเวทนาเหล่านั้นสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่โสมนัสเวทนาโสมนัสเวทนาเป็นปัจจัยแก่ราคะทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่โทมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาเป็นปัจจัยแก่โทสะ และราคะโทสะพร้อมทั้งปัจจัยชื่อว่าอัญจตุตถาชานี้กำจัดไปแล้วด้วยเหตุที่ได้ทำลายสุขเวทนาเป็นต้นมาแล้วดังนั้นราคะและโทสะจึงชื่อว่ามีอยู่ในที่ห่างไกลามากด้วยประการชนี้อธิบายไม่มีทุกข์ไม่มีสุข คำว่าไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนั้นมีอัธาที่บายว่าที่ชื่อว่าไม่มีทุกข์เพราะเหตุที่ทุกข์ไม่มีที่ชื่อว่าไม่มีสุขเพราะเหตุที่สุขไม่มีด้วยคำว่าไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนี้ท่านแสดงถึงเวทนาที่สามคืออุเปกขาเวทนาอันเป็นปฏิปักษ์แก่ทุกขเวทนาและสุขเวทนาในจตุกทธชานี้ ไม่ใช่แต่เพียงแสดงความไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเท่านั้นละอทุกขมสุขเวทนาชื่อว่าเวทนาที่สามเรียกว่าอุเปกขาเวทนาก็ได้นักศึกษาพึงทราบว่าอทุกขมะมสุขเวทนานั้นมีอันสวยอารมณ์ที่ผิดจากอิทธารมณ์และอนิถารมณ์เป็นลักษณะมีความเป็นกลางกลางเป็นรสมีความปรากฏชัด เป็นอาการปรากฏมีความดับไปแห่งสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นประทัดฐานด้วยประการชนนี้คำว่าอทุกขมสุขเวทนานี้มีอาการไม่ปรากฏชัดเหมือนสุขเวทนาและทุกขเวทนาต้องอนุมานเอาจากสุขเวทนาและทุกขเวทนานั้นคล้ายๆกับรอยเท้าเนื้อที่เดินข้ามหลังแผ่นหินไปย่อมไม่ปรากฏให้เห็น แต่รู้ได้โดยอนุมาณเอาจากรอยข้างหน้าและรอยข้างหลังของแผ่นหินฉะนั้นอธิบายมีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาคำว่ามีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขานั้นหมายความว่าความบริสุทธิ์แห่งสติอันอุเบกขาให้เกิดแล้ว อธิบายว่าสติในชานนี้เป็นสภาพบริสุทธิ์มากและความบริสุทธิ์ใดแห่งสตินั้นความบริสุทธินั้นอันอุเบกขาปรุงแต่งให้มิใช่สิ่งอื่นปรุงแต่งให้เพราะฉะนั้นชานนี้พระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่ามีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแม้ในคำพีวิพัง พระภูมิพระภาคก็ทรงแสดงไว้ว่าสตินี้เป็นสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์และผุดพองพระอุเบกขานี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอุเบกขาคือตัตตะมชัชตตาเจตสิกก็แหละ ความบริสุทธิ์แห่งสติในจตุทถาชานี้ย่อมสำเร็จเพราะอุเบกขาอันใดอุเบกขานั้นนักศึกษาพึงทราบว่าโดยใจความก็ได้แก่ตัตระมัชตตาเจตสิกและไม่ใช่แต่สติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่บริสุทธิ์เพราะอุเบกขานั้นแม้สัมประยุติธรรมทั้งสิน้นก็เป็นสภาพบริสุทธิ์โดยแท้แลแต่พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ด้วยทรงยกสติเป็นประธานอุเบกขาเวทนาเหมือนราตรีตัตระมัชัตตุเบขาเหมือนดวงจันทร์แม้ว่าตัตระมัชัตตุเบขานี้จะมีอยู่ในฌานทั้งสามข้างต้นนั้นก็ตาม แต่ก็เปรียบเหมือนดวงจันทร์ในเวลากลางวันจะมีอยู่ก็ไม่สว่างไม่ขาวนวลทั้งนี้เพราะแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันคมกันไว้และเพราะไม่ได้ราตรีอันมีส่วนเข้ากันได้โดยเป็นที่ส่องแสงหรือโดยเป็นอุปการะแก่ตนฉันใดแม้ดวงจันทร์คือตันตระมัชตุเบคานี้ก็เช่นเดียวกัน แม้จะมีอยู่ในประเภทแห่งฌานมีปฐมฌานเป็นต้นแต่ก็ยังไม่เป็นสภาพที่บริสุทธิ์ท้งนี้เพราะเดชแห่งธรรมะอันเป็นข่าศึกมีวิตกเป็นต้นข่มกันไว้และเพราะไม่ได้ราตรีคืออุบเบกขาวเวทนาอันมีส่วนเข้ากันได้อันหนึ่งเมื่อตัตระมัชาตุเบกขานั้นยังไม่บริสุทธิ์ แม้สหาชาติธรรมทั้งหลายคือธรรมะที่เกิดร่วมในจิตดวงเดียวกันเช่นสติเป็นต้นก็พลอยเป็นสภาพที่ไม่บริสุทธิ์ไปด้วยเหมือนแสงจันทร์ที่ไม่ขาวนวลในเวลากลางวันเพราะเหตุดังกล่าวนี้ในบรรดาฌานทั้งสามนั้นแม้เพียงฌานเดียวพระผู้มีพระภาคจึงไม่ได้ทรงแสดงว่ามีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา ส่วนในจตุกทัตชานี้ดวงจันทร์คือตัตระมัชตุเบคาเป็นสภาพที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งเพราะไม่มีเดดแห่งธรรมะอันเป็นค่าศึกมีวิตกเป็นต้นข่มกันและเพราะได้ราตรีคืออุเบขาเวทนาอันมีส่วนเข้ากันได้และเพราะเหตุที่ตัตระมัชตุเบคาเป็นสภาพบริสุทธิ์แล้วนั้น แม้สหาชาตธรรมทั้งหลายเช่นสติเป็นต้นก็พลอยเป็นสภาพที่บริสุทธิ์ผุดพองเช่นเดียวกับแสงจันทร์อันสว่างขาวนวลฉะนั้นเพราะเหตุดังพันณามานี้นักศึกษาพึงทราบว่าจตุกทัตชา น, นี้เท่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเป็นฌานที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาชนี อธิบายจตุทถตชานคำว่าจตุทะที่แปลว่าสี่นั้นมีอธาธิบายว่าชาญที่เรียกว่าที่สี่เพราะเป็นลำดับของการคำนวณหรือชาญ น, นี้ที่จัดเป็นที่สี่เพราะเหตุที่โยคีบุคคลย่อมเข้าเป็นอันดับที่สี่ดังนี้ก็ได้ จตุททชาลละองหนึ่งก็แลในคำที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าละองหนึ่งประกอบด้วยองสองนั้นมีอาธิบายว่าในสองข้อนั้นข้อว่าจตุททชาละองหนึ่งนั้นนักศึกษาพึงทราบด้วยอำนาจที่ละซึ่งโสมนสเวทนาและโสมนสเวทนานั้นละมาได้แต่ในชวนจิตดวงต้ น, ตน ในวิถีเดียวกันนั่นเทียวด้วยเหตุนั้นโสมนสเวทนานั้นจึงเรียกว่าเป็นองค์สำหรับละของจตุทัตชา น, นี้จตุทัตชานประกอบด้วยองค์สองส่วนข้อที่ว่าจตุทธาชานประกอบด้วยองค์สองนั้นนักศึกษาพึงทราบด้วยอานาจความบังเกิดขึ้นแห่งองค์สองนี้ คืออุเบกขาวเวทนาหนึ่งจิตเตกัตคตาหนึ่งคำที่เหลือมีนัยยะดังที่แสดงมาแล้วในปฐมฌานนั่นแหละตามที่พันานามานี้เป็นแนวเนชานสี่ประเภทที่บังเกิดด้วยอำนาจแห่งฌานที่เป็นจตุกกนนเป็นประเภทแรกอธิบายฌานปัญจกใน ส่วนโยคีบุคคลผู้จะเจริญฌานในปัรจากาศในให้บังเกิดขึ้นนั้นออกจากปฐมฌานที่คล่องแคล่วแล้วพิจารณาเห็นโทษในปฐมฌานนั้นว่าสมาบัตินี้ยังใกล้ต่อนิวรันอันเป็นข้าศึกอยู่และ ว, ว่าสมาบัตินี้มีองค์อันทุรพลเพราะวิตกเป็นสภาพที่หยาบชะนี้แล้วพึงมณสิการถึงทุติยฌานโดยเป็นสภาพที่ละเอียด คลายความยินดีในปฐมฌานแล้วจึงลงมือทำความเพียรเพื่อบรุซึ่งธุติยะฌานต่อไปบรรลุธุติยะฌานก็แลกการใดเมื่อโยคีบุคคลออกจากปฐมฌานแล้วมีสติสัมป ช, ชัญญะพิจารณาองค์ฌานอยู่นั้นองค์ฌานเพียงแต่วิตกอย่างเดียวก็จะปรากฏโดยเป็นสภาพที่หยาบ องค์ชาญอื่นๆมีวิจาร์เป็นต้นคงปรากฏโดยเป็นสภาพที่ละเอียดการนั้นขณะที่โยคีบุคคลมนาสิการถึงปฏิภาคานิมิตนั้นนั่นแหลอย่างแล้วๆเล่าเล่าว่าปัตถวีปัต ว, วีหรือดินดินดังนี้เพื่อจะละองค์ที่หยาบละให้ได้มาซึ่งอง์ละเอียดอยู่นั้นทุติยาชาญก็จะบังเกิดขึ้น โดยในยะที่ได้แสดงมาแล้วนั่นแหละองค์สำรับละของทุติยชานนั้นมีวิตกอย่างเดียวส่วนองค์ประกอบมีสีมีวิจารเป็นต้นคำที่เหลือเหมือนดังที่แสดงมาแล้วทุกประการนั่นเทียวบรรลุตติยชาน ก็แลเมื่อได้บรรลุทุติยาชาญแม้นั้นอย่างนี้แล้วโยคีบุคคล น, นั้นถึงทําให้วสีสามารถดีแล้วด้วยอาการห้าอย่างโดยในยะที่ได้พรนานามาแล้วนั่นแหละออกจากทุติยาชาญที่คล่องแคล่วแล้วพิจารณาเห็นโทษในทุติยาชาญ น, นั้นว่าสมาบัตินี้ยังใกล้ต่อวิตกอันเป็นค่าศึกอยู่และ ว, ว่าสมาบัตินี้มีองค์อันทุรพล เพราะวิจารเป็นสภาพที่หยาบครั้นแล้วมนนานสิกาจึงตติยะฌานโดยเป็นสภาพที่ละเอียดคลายความยินดีในทุติยาชฌานแล้วพึงลงมือทำความเพียรเพื่อบรรลุตติยาชฌานต่อไปและการใดเมื่อโยคีบุคคลออกจากทุติยาชฌานแล้วมีสติสัมปชัญญะพิจารณาองค์ฌานอยู่นั้น องชาญเพียงแต่วิจารณ์ก็จะปรากฏโดยเป็นสภาพที่หยาบขึ้นองค์ชาญอื่นๆมีปีติเป็นต้นคงปรากฏโดยเป็นสภาพที่ละเอียดอยู่การนั้นขณะที่โยคีบุคคลมณสิกาถึงปฏิภาคณิมิตนั้นนั่นแหละอย่างเล่าๆเล่าๆว่าปัทวีปัท ว, วีหรือดินดินชนณี เพื่อที่จะละองที่หยาบและให้ได้มาซึ่งองที่ละเอียดอยู่นั้นตติยะฌานก็จะเกิดขึ้นโดยในยะที่ได้แสดงมาแล้วนั่นแหลองสาหรับละของตติยะฌานนั้นมีแต่วิจารอย่างเดียวส่วนองประกอบมีสามมีปีติเป็นต้นเหมือนกับในทุติยะฌานโดยจะตุกกนในคำที่เหลือ เหมือนดังที่แสดงมาแล้วทุกประการนั่นเทียวสรุปชาณปัญจากะในด้วยประการชนี้ทุติยชาญใดในชาณะจัตุกันในนั้นในชานปัญจากะรในนี้ทุติยชาญนั้นแยกออกเป็นสองชาญคือเป็นทุติยชาญและตติยชาญ ตติยาชฌานและจตุทถธาฌานในฌานจตุกะกไนนั้นแยกเป็นจตุทธาฌานและปัญจมชฌานในฌานปัญจกะในนี้ส่วนปฐมฌานคงเป็นปฐมฌานตามเดิมชะนี้แหลปริเจตที่สี่ชื่อว่า ทวีกสินนิเทศในอธิการแห่งสมาธิภาวนาในปรกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพระเจ้ารจนาขึ้นเพื่อความปราโมทแห่งสาธุชนดังนี้จบปริเชษที่สี่คำพีวิสุทธิมัก